วันนี้เป็นวันที่สามมีนาคมพุทธศักราช 2,555 ห้าสิบห้าวันนี้เป็นวันครบรอบหลวงปู่จันสมจะได้ทำบุญนะวันนี้นะแต่ผู้ใดอยากจะไปฟังพระปริตะมงคลหรือไปฟังเทศวัดหลวงปู่จันสมวันนี้ตอนเย็นส9บเกนาฬิกาหนึ่งทุ่ม จะมีการสวดมนต์ฟังเทศแล้วก็วันพรุ่งนี้จะมีการใส่บาทตักบาทวัดหุ่งปู่จันสมครบรอบวันมรณภาพของท่านนะพระมานิมนต์หลวงพ่อคงจะได้ไปตอนเย็นอาจจะเป็นองค์แสดงธรรมที่เขาระบุแต่ก็ไม่แน่นอนหรอกคำว่าไม่แน่นอนคำนี้คืออะไรเพราะหลวงพ่อ ไปนะสถานที่ใดถ้ามีพระผู้ใหญ่พระผู้ใหญ่มาในงานที่ท่านเคยแสดงธรรมเป็นที่ยอมรับของศรัทธาญาติโยมพระสงฆ์หลวงพ่อกระลิกทางนิมนท์ท่านให้เป็นองค์แสดงธรรมทั้งที่เจ้าภาพก็อยากจะให้หลวงพ่อแสดงธรรมเพราะพูดมาแล้วแต่เราไปเจ้าภาพเห็นครูบาอาจารย์พระเถระผู้ใหญ่มา เขาก็อยากจะให้พระเถระเป็นองค์แสดงธรรมแต่ก็กเกรงใจพเพราะเร็วนิ้มูลหลวงพ่อไว้แล้วนะอย่างนี้หลวงพอ่อไม่หลวงพ่อจะเลีกทางให้ทันทีเลยเพราะหลวงพ่อไม่ใช่นักเทศน์นักแสดงธรรมพูดอย่างนั้นได้หลวงพ่อพูดในเมื่อคราวจำเป็นถ้าบอกไม่มีครูบาอาจารย์พระเถระผู้ใหญ่เป็นองค์แสดงธรรมอ้าวหลวงพ่อก็ขึ้น ไปแสดงธรรมไปแสดงความคิดเห็นบอกกล่าวคณะัตหายาตโยมหลวงพ่อได้รู้ได้เห็นในปฏิบัติมาเป็นมาอย่างไรหลวงพ่อก็เข้าไปหรือก็ขึ้นไปแสดงความคิดเห็นแนะนำบอกกล่าวคณะัทห at ายาตโยมแต่ว่ามีองค์แสดงธรรมเป็นที่ยอมรับมาในงานหลวงพ่อจะกล่าบประหาธนานมู์ท่าน ขึ้นไปเทศแทนไม่รู้กี่ครั้งเหมือนกันไม่รู้กี่องค์เหมือนกันแต่ถ้าว่าไม่มีใครหลวงพ่อต้องขึ้นไปถ้าไม่มีการแสดงธรรมเช่เลยงานทั้งงานคนมาต่างเยอะแย ะ, ะมันก็รู้สึกว่างออยเหงาไม่มีชีวิตชีวาในงานสิ่งเหล่านี้มันต้องก็ไดคิดอีกเหมือนกัน เพราะว่างานท้า ง, งานไม่มีครูบาอาจารย์แสดงธรรมแสดงความคิดเห็นเฉลยมันก็ดูไม่ค่อยจะสมบูรณ์ในงานเพราะนั้นหลวงพ่อมาคิดถึงจุดนี้อีกเหมือนกันถ้าไม่มีองค์แสดงหลวงพ่อก็ขึ้นแสดงได้พูดได้ยกมุมในมุมหนึ่งธรรมเทศนาหรือพระไตรปิฎกหรือธรรมเทศนาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ เรียตัวเองได้ประสบพบเห็นได้เรียนรู้ได้ศึกษาอันไหนมาที่จะมาถ่ายทอดให้แก่ชุมชนสังคมในกลุ่มนั้นๆได้รับทราบก็ได้เอามาถ่ายทอดให้ฟังการถ่ายทอดให้ฟังเนี่ยเรากต็ต้องดูชุมชนสังคมซะก่อนชุมชนสังคมอย่างนี้เราก็ควรจะจะถ่ายทอด อันไหนให้ฟังชุมชนสังคมอย่างนี้เราจะพูดธรรมะลึกตื้นขนาดไหนแต่พอบางทีชุมชนสังคมเขาไม่ตั้งใจใฟังเราก็พูดแบบธรรมดาธรรมดาไปจะตามมาดูแล้วเขาใส่ชุดขาวรักษาศีลแปดเพียบไปหมดเราจะไปพูด แต่เรื่องทานเรื่องศีลธรรมดาก็ยังไม่เหมาะสมมันต้องเรื่องภาวนานมันต้องพูดเรื่องภาวนาเพราะพวกนี้ครุกคุกภายในแล้วจะเริ่มภาวนาแล้วเราก็ต้องพูดเรื่องภาวนาวิธีการภาวนาทอยังไงตามแนวแถวของพระพุทธเจา้าตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราก็ต้องพูดเรื่องภาวนาแต่ถ้าว่าเป็นข้าราชการกลุ่มข้าราชการ แล้วกลุ่มพ่อค้าเข้ามาฟังมองดูแล้วเป็นกลุ่มพ่อค้าเป็นกลุ่มราชการเราก็ต้องพูดเรื่องความพร้อมเพียงความสมัคคีให้อยู่ในกฎระเบียบให้รับชุมชนสังคมให้มีจริยธรรมศีลธรรมจริยธรรมจริยะคือความประพฤติในชุมชนของพวกเราอันนี้เราก็ต้องพูดในแนวของพระพุทธศาสนา ถ้าว่าพี่น้องประชาชนทั่วไปเข้ามาเขาก็ยังทำมาหาเลี้ยงชีพเราก็ต้องบอกแนะนำเขาอุดฐานะสัมปทาให้ถึงพร้อมด้วยความหมัน่นความขยันอรกถะสัมปทาให้รักษาทรัพย์สมบัติที่หามาด้วยความยากลำบากกนรยานามิตรให้คบเพื่อนฝูงเลือกคบคนที่มีมารยาทที่ดี เป็นคนที่มีศีลธรรมอย่าไปคบคนสเปะสปะจะไปคบคนขายยาม마คัญชายาฟินเฮโรอีนเป็นคนนักเลงหัวไม้อย่าไปคบนะจะทําให้ตัวเองเสียหายไปด้วยกัลยาณมนะิตรสำมาชีวิตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบอย่าไปหลอกลวงอย่าไปคดโกงมาเลี้ยงชีวิตของเรานะอันนี้ถ้าผี่น้องประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้อง ก็จะต้องพูดในการทํามาหาเลี้ยงชีพสำ ม, มาชีพเลี้ยงชีพในทางที่ถูกต้องก็พร้อมกันก็เน้นเรื่องศีลธรรมเข้าด้วยไม่ใช่ว่าจะเลี้ยงแต่ร่างกายอย่างเดียวเลี้ยงร่างกายอย่างเดียวก็มีแต่หาปัจใจสี่เลี้ยงร่างกายโดยไม่มองศีลธรรมเฉลยก็ไม่ได้อันนี้ก็ต้องสรุป ทั้งพี่น้องชาวบ้านด้วยทั้งข้าราชการด้วยทั้งผู้ปฏิบัติธรรมด้วยนี่นะอย่าลืมนะตายแล้วตายแน่ๆ น, นะตายแล้วไม่สูนยนะถึงจะเลี้ยงแล้วยังไงก็เลี้ยงเถอะเลี้ยงร่างกายนะจะให้เป็นหนุ่มเป็นสาวไปอีกต่อไปภายภาคหน้าไม่มีทางเลี้ยงไปทเท่าไหร่ก็ยิ่งแก่เท่าชราไปเรื่อยถึงที่จุดก็ถึงจุดจบเพราะนั้นเราเลี้ยงดูพอประมาณ ใช้ปัญญาในการดูแลตนเองพอประมาณนะถ้าว่าเป็นนักพจนักบวชม า, มากๆก็ต้องพูดว่าเออนี่เราเป็นนักพจนักบวชเป็นศากยบุตรเป็นลูกของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนเราอย่างไรให้เป็นผู้มีกฎมีระเบียบมีศีลส2งยยี 7, ให้มีฮิริโอตปะให้มีความกลัวต่อบาปอย่าไปทําในสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้าม พระพุทธเจ้าห้ามอย่างไรพวกเราในศากยบุตรเราควรประพฤติตนอย่างนั้นในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านประนามพระสงฆ์สัมมนเนนที่ไม่อยู่ในกรอบท่านบอกว่าโมฆะภิกษุโมฆะแปลว่าผู้เปล่าประโยชน์โมฆะภิกษุมันเจ็บมากมากนะด่าคํานี้พระพุทธเจ้าด่าพระนะโมฆะภิกษุโมฆะบุรุษ แปลว่าเป็นผู้เปล่าประโยชน์เป็นบุรุษที่เปล่าประโยชน์เป็นภิกษุที่เปล่าประโยชน์แล้วก็อราอราัจ c h อารัจ c ตาไม่มีความละอายดื้อด้านต่อหลักพระธรรมวินัยเป็นพระอรารัจ chi อันนี้ก็พระพุทธองค์ก็ประนามด่าว่าพระสงฆ์บกพวกเราที่เป็นศา ก, กยบุตรที่เป็นบุตรของท่านคล้ายๆว่าท่านอยากจะให้บุตรของท่าน ดีเดินตามแนวแถวพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉนั้นพระสงฆ์ก็ต้องอยู่ในกรอบเพราะเราชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นของชาวบ้านเขาถ้าเราทำตนไม่ดีเหมือนกับทำตนเหมือนกับชาวบ้านเขาเขาจะกราบเราได้อย่างไรนี้ถ้าเราทำตนเหนือกว่าเขาคือเราเป็นผู้มีศีลมีศีลมีธรรมฆวาสเขาทำไม่ได้อย่างพระธรรม ก็ เ, เลยกลับนะกลับผู้ทรงศีลเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราให้รู้จักสถานะของตนเองนะพวกเราทุกๆท่านนี่แหละอันนี้ก็คือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าจะเปรียบเทียบเข้ามาแล้วก็เหมือนกับของในร้านขนาดร้านทองเพชรนินจินดาในร้านทองเราจะเอาระดับไหนระดับสูงสุดก็มี เพชรเมตโตราคาเป็นเส้นหนึ่งเป็นหลายๆ ล, ล้านนะก็มีต่ําลงมาอีกขนาดไหนราคาที่มันจะเหมาะสมกับเงินของเราหรือว่าเป็นเส้นทองธรรมดาก็มีนี่แหละหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับล้านทองหรือห้างสปรปสิทธิ์ค้าที่มีราคาของสูงสุดแล้วก็ต่ําสูงสุดก็คืออะไร พวกเราเข้ามาบวชเข้ามาศึกษาเข้ามาปฏิบัติตัดวัตถุภายนอกออกหมดมีแต่มุ่งมั่นมีแต่ตั้งอกตั้งใจภาวนาเพื่อจะหาทางพ้นทุกเท่านั้นอันนี้คือเป็นผู้ตั้งใจเสาะแสวงหาทำหรือ ว, ว่าหาทรัพย์ที่ราคาแพงมีทางเดียวคือน้ำไหลลงทางเดียวก็คือ ทางพ้นทุกจะไม่ข้องแวะเพราะมองดูทุกโกรปรูปแบบแล้วในโลกวัฏสงสารนี่มองทางไหนมองการเป็นอยู่มองเรื่องอาหารการบริโภคมองเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์มองเรื่องความสุขที่เราได้พบได้เจอสุกกายสุกใจล้วนแล้วจะมีสิ่งทดแทนคือความทุกข์เข้ามาทดแทน พอทั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเรามองดูแล้วอันไหนคือความสุขที่แท้จริงของมวลมนุษย์ชาติที่เกิดมาเรามองไม่เห็นในเมื่อมองไม่เห็นนี่แหละหละักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเปิดช่องเปิดทางให้พวกเราได้เดินในทางปฏิบัติอันนี้ก็คือฝ่ายพระสงฆ์ที่มุ่งมั่นต่อมรรคผลนิตพานคือคือจะซื้อสินค้าที่มีคุณภาพสูงที่สดุด จะไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏะสงสารแต่นั่นตกลงมาเราก็เออเอาปรารถนาถึงแม้อาขนาดนั้นก็ขอให้อย่าได้มาวกวนเวียนในวัฏฏะสงสารนานจนเกินไปภาคเพียพรภาวนาไปเรื่อยๆพอต่ำลงมาจากนั้นก็มาก็อเออขอให้มข้าพเจ้ามีความสุขในการเป็นมนุษย์เกิดพบใดชาติใดก็ให้ได้พบพระพุทธศาสนาให้บาเพ็ญคุณงามความดี ความทุกข์ยากลำบากอย่ามากากายข้าไปจากอันนี้ก็หย่อนลงมาอีกจากนั้นลงมาอีกนั่นจนถึงว่าเชื่อบางไม่เชื่อบางท่นี <c oughs> ่เขาว่าได้บุญก็ทาตามคำตามคาของเขาแต่ไม่รู้ไม่แน่ใจเลยว่าจะได้บุญหรือไม่ได้บุญแต่เห็นเขาทำก็ทำแต่บางคนก็เอาไม่เชื่อตรงในใจแต่เห็นเขาทำก็ทำไปตามเขาแต่ในใจไม่เชื่อ ตายแล้วต้องศูนย์บีเห็นมันมาบอกใครตายไปแล้วเนี่ยบางคนก็ไม่ทำเล ย, เยทั้งไม่เชื่ออีกต่างหากแล้วก็ไม่ทำอีกต่างหากมันมีหลายระดับถ้าจะว่าไปแล้วมนุษยชาติของเราเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะให้ใครเป็นผู้ไปบอกกล่าวเพราะพุทธเจ้าเองท่านก็บอกว่าผู้ที่จะรู้แจ้งเห็นจริงนั้นเหมือนกับเขาโค พวกกวัลเลกัวราดทั้งหลายแหละเหมือนกับขนโคเขาโคกับขนโคนะมันต่างกันมากนะเขาโคมีอยู่สองเขาแต่ขนโคมันมากกว่านี่แหละหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบมาแต่ในครั้งพุทธกาลแล้วไม่ใช่มาเปรียบเทียบจะยุคนี้สมัยนี้เท่านั้นคนดีกับคนเลวนะมันมันเป็นยุคเป็นสมัยมาตลอดนะเพราะฉะนั้นเราให้ ตรวจตราดูตัวของเราทุกๆกท่านนะเนีเราจะเป็นประเภทไหนถ้าว่าเป็นประเภทหวังพ้นทุกมองเห็นแล้วโลกวัตะสงสารกินอิ่มแล้วก็ต้องไปถ่ายได้เงินมาแล้วก็ต้องหาอีกอันไหนคือความสุขที่แท้จริงมันมองไม่เจอไม่เห็นเพราะมองไม่เห็นแล้วก็เบื่อเบื่อในการเป็นอยู่ในชีวิตของเราจากนั้นก็มุม่งมั่นในอัดในธรรม พิจารณาถึงร่างกายสังขารร่างกายของเราก็เถอะอีกสักวันหนึ่งก็จะต้องทิ้งอีกเหมือนกันร่างกายของเราจะต้องเอาไปเผาไฟทิ้งทั้งที่เรารักแสนรักไม่มีใครที่จะอยู่ชั่วฟ้าตายไม่เป็นไม่มีต้องทิ้งทิ้งร่างกายทิ้งร่างกายแล้วจังไรใจของเราศึกษาในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านศึกษาทำไมพระพุทธเจ้าไปทิ้ง ราชสมบัติไปอยู่ในป่าหลวงพงไพ่ถึงหกปีท่านไปศึกษาเรื่องของใจเพราะฉะนั้นเราก็ต้องศึกษาเรื่องของใจเราอีกเหมือนกันตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าที่ท่านพาดําเนินพาศึกษาจากนั้นเราก็เมื่อทิ้งร่างกายแล้วมันก็เข้ามาสู่จิตใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าเรื่องของใจมันอยู่ที่นี่หมดทลยเนี่อเรื่องทั้งหลายทั้งปวงมาอยู่ที่ใจจะปรับปรุงแก้ไขอ ย, อย่างไรที่จะชําระใจ ให้พ้นจากทุกข์ให้หมดกิเลสรคาคะโทสะโมหะออกจากใจให้ได้จุดนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องศึกษาแหละทนมาถึงจุดนี้แปลว่ า, เ, วา เ, เข้าขั้นที่จะตัดภพตัดชาติที่จะชำระใจให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสตัวนี้ไม่ใช่ปัญญาหาเลี้ยงชีพธรรมดานะ ไม่ใช่หาเงินหาทองไม่ใช่ปัญญาเรียนหนังสือไม่ใช่ปัญญาการเป็นอยู่เอาตัวรอดพิ ช, ชากฎหมายพิ ช, ชาอาชีพต่างๆที่มีอยู่ในโลกไม่ใช่แล้วแเป็นมหาสติมหาปัญญาที่จะจ่อลงไปเราจะทำยัยยงไงจึงจะสลัดกิเลสออกจากใจจึงจะพ้นทุกข์ในวัฏฏสงสารจะไมมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารเป็นอนันตการ ตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนเราต้องศึกษาแหละจ้ะถ้าศึกษาแล้วก็จะเราก็จะรู้แนวทางนะแนวทางแล้วก็นํามาประพฤติธปฏิบัติเพราะเราเป็นสาวกะสาวกสาวกะแปลว่าผู้สดับสดับตรับฟังมาแล้วก็นํามาปรับปรุงแก้ไขกายวาจาใจของเราอ่านได้บอกสาวกะสาวกผู้ประดับพุทธะนี่ย สยามภูรู้แจ้งโลกไม่มีใครสอนท่านพระพุทธเจ้าหาช่องหาทางหาแนวทางแล้วก็ตัดกิเลส เ, เป็นสยามภูรู้แจ้งทุกอย่างอันนั้นไม่มีใครไม่มีครูมาสอนท่านหรวบพุท ธ, ธะแต่พวกเราได้รับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วบอกกล่าวต่อ ต, อตอกันมาอันนี้ประวัติสาวกะเป็นพระผู้สะดับตรับฟังจากนั้นก็ นำมาประพวงแก้ไขสาวกะาไปว่าเราต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังหลายครั้งต่อหลายหนฟังหูซ้ายทะลุหูขวาฟังหูขวาทะลุหูซ้ายแล้วก็เหมือนกับศาสตร์น้ําใสหลังหมานศาสตร์ใสแล้วก็สั่นผลิตมันก็ไม่เกิดประโยชน์เมื่ อ, อไรเยินแล้วก็นำมาคิดการกลองไตรตรองฟังเหตุและผลและศึกษาในเมื่อเราศึกษาแล้วพวกเราจะรู้เนี่ย รู้แนวทางนี่พวกเราจะรู้แนวทางจะหาขนทางตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าพระแม่ครูบาอาจารย์พาดำเนินพวกเราจะหาช่องทางพ้นทุกพ้นทุกในวัฏฏะสงสารตามแนวแถวของท่านได้นะต่อในไปพระสง์จะอนุโมทนาให้พร